ตอนเช้าเนี่อากาศมันดีความสงบเงียบไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาในใจตื่นมาแล้วก็มีแต่ความว่างตอนเย็นในความเมื่อยล้ามีต้องต่อสู้กับความง่วงความเพลียดังนั้นบรรยากาศช่วงเช้าจึงควรจะเป็นการทําอะไรที่ละเอียดหน่อย เขว่าธรรมะธรรมะนี่ก็คือเรื่องธรรมชาติของชีวิตเรานี่แหละธรรมะเป็ว่าสภาพที่ส่งไว้ซึ่งความเป็นธรรมดาของธรรมนั้นๆมันเป็นความจริงว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเดี๋ยคนเราก็ไปกบไปด้วยธรรมชาติที่เรียกว่าธาตุเดียกวกันธรรมชาติตั้งแต่เบื้องต้น ได่มีการแตกดับจนไปถึงธรรมชาติที่ไม่มีเกิดไม่มีดับที่เรียกวันิพานซึ่งเป็นยอดของธรรมทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่มีการแตกกันดับน้อยคนที่แสวงหาและได้มาครอบครองเป็นรัตนะแขีวสารพัดนึกส่วนมากคนทั่วไปเจ็ อยู่กับการแสวงหาที่เป็นอนาริยะปริเยสนาเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐหลงประเด็นอยู่กับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายสุดท้ายก็หลงเวียนไหวอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในความคิดติดอารมณ์สองสามคนด้านหลังผู้ชายแนละตั้งใจทำดีๆไม่ง่วงไปเงา คนมันนิใสัยบ้าๆเหมือนกันมันจะเข้ากันได้คนดีก็จะเข้ากับคนดีคนเหลวก็เข้าคนลเคนลวพวสุบบหลี่ก็จะไปกับคนสุบรีคนเล่นไพ่คนชอบราคะโทสะโมหะอะไรจะไปตามนั้นเราเรียก ว, ว่ามันไหลเข้ากันด้วยธาตุนั้นพวกง่วงพวกเหงาพวกขี้เกียจพวกขี้คันมันจะอยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องที่ยากมาก ที่คนโง่ๆจะไปคบบัณฑิตเนี่ยคนโ ง, โง่ๆคนไม่สัมรวมจะไปคบคนที่สัมรวมไม่มีส่วนมากมันนิสัยสันดานคล้ายๆกันไปอยู่ด้วยกันเวลาเดินไปเดินมามันจะแห่ไปด้วยกันคนโง่ๆก็ไปกับคนโง่นั้นมันจึงหาความเจริญไม่ได้ชีวิตเนี่ยพวกติดยาพวกกินเหล้าไปด้วยกัน อันเวลามาปฏิบัติธรรเนี่ยเราจะรู้จากทันทีนะกรุ๊ปเนี่ยมันไม่ฉลาดกลุ่มนี้มันฉลาดยิ่งถ้าหคนไหนสามารถไปคนเดียวมาคนเดียวอยู่คนเดียวได้หมายถึงผู้มีปัญญาคือพึ่งคุณธรรมในตัวเองเป็นแทนที่จะจมเอาอยู่อารมณ์หรือว่าอาศัยหมู่อาศัยคณะอาศัยคนนั้นคนนี้บนะางคนไม่อแต่ลุกไปห้องน้ําห้องท่ายต้องถูกชวนคนนั้นชวนคนนี้น แทนที่เราจะไปเองสามารถกำหนดรู้ได้เดินไปก็รู้ไปเดินมาก็รู้มาหมือมันมีโอกาสได้สํารวมนมัดระวังได้เห็นจิตความคิดอารมณ์ตัวเองได้แต่คนมันไม่ลึกซึ้งปาบนั้นนะมันไม่ได้มีความมุ่งหมายหรือความความตั้งใจในการที่ทำให้ได้ให้เป็นให้มี เราถือว่าคนปัญญาสามสันดานหยาบรู้ธรรมะในบวชพุทธศาสนานี่ได้ยากถ้าจิตล้วไม่ห่างตัวนะไม่ออกไปข้างนอกวันหนึ่งหนึ่งมีสติเ ล, ล้วรู้ดูกายเพื่อนไหวดูใจนึกคิดดูกายดูจิตดูความคิดดูอารมณ์เราก็จะเห็นว่าร่างกายสังขารเนื้อตัวเราเองเนี่ย มันไม่สามารถที่จะมีความเพลิดเพลินได้ไม่ได้อยู่กับความหลงรูปหลงนามเป็นเพราะมันมีแต่ทุกข์นะมีแต่ความแปรปลวนความเปลี่ยนแปลงวิปริณามาธรรมังกัาลังนุตังสมานุปัสสิตุงนะวะเนโซหะวะสมิเนสโซะตาติโนหีตังพันเตไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรามันเห็นเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะ ร่างกายนี้ก็เป็นธรรมชาติไปขอไปด้วยธาตุนะสังเกตดูดีๆไม่ใช่ของเรานะเพียงแต่เราดินเอาน้ําเอาไฟเอาลมในสัดส่วนที่พอดีแล้วมาปั้นแต่งเป็นตัวเราขึ้นมาเงินเราจึงไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน แต่เป็นธรรมชาติด้านหนึ่งที่มันกำลังเจริญเติบโตในขณะเดียวกันก็มีสภาวะแห่งความเสื่อมประจำสังขารเอาไว้แล้วด้วยมันเสื่อมทุกตอนทุกอันในตัวเราตาหงจมูกดินกายเสื่อมลงเสื่อมลงตลอดมันเสื่อมจากตัวเล็กๆนั้นผิดพลาดจากส่วนประกอบเล็กๆในน้อยนี้ก็จะทำให้ภาพรวมที่เรียกว่าตัวตนของเรานี้เสื่อมด้วย ความสืมเกิดขึ้นทางอายตนะนะตาหัวมวกริ้นกายภายนอกภายในเสื่อมไปเรื่อยๆแต่ก่อนเราเคยกินข้าว อ, าอร่อยๆนะรูปทรงร่างกายสังขารเนี่ยก็รับได้กินเข้าไปก็จะเลื่ญเติบโตไปเรื่อยๆแต่ว่าทุงจิตหนึ่งนี่มันไม่จเจริญเติบโตละกินยังไงมันก็เท่านั้นฮะมันไม่รับเขาบอกโอ้ยธาตุมันไม่รับจนกระทั่งว่ากลายเป็นคำว่าเบื่ออาหารเ มันเริ่มเบื่ออาหารแล้วไม่มเจริญอาหารก็จะเริ่มไปกินอาหารอ่อนอาหารย่อยง่ายเป็นน้ําเป็นข้าวต้มเป็นอะไรเนี่ยเพราะความเสื่อมของสังขารไงต้นต้นไม้ที่มันแก่แก่แล้วเนี่ยเราไปติดตาเอานั้นไปใส่อันนี้ไปสวมมันก็ไม่ติดนะไม่จะร่วงแต่ลน่นลงไปได้เรื่อยสังขารของเราเองก็เหมือนกันเลยสี่สิบห้าสิบขึ้นมาแล้วเริ่มมีปัญหาละ ในแง่ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันตายตั้งแต่น้อยได้ก็ดีมันโตขึ้นมาแล้วค่อยตายก็ดีแก่แล้วค่อยตายก็ดีดีมดนะไม่มีอะไรที่ว่าไม่ดีเพราะนั่นคือหน้าที่ของมันนะ่ะหน้าที่ของสังขารเมื่อมันสิ้นเหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันจะมาตามใจเราไม่ได้นะถ้าดินอะไรแข็งแข็งเนี่ย เรามาผสมกันเหมือนมันจะเจริญเติบโตนะเข้ามาทั้งอาหารการกินเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคอะไรใส่เข้ามามันเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเหมือนผักเหมือนญ้านี่แหละหวานลงไปแล้วมึงงององออกขึ้นมาบางตัวเกิดอุบัติเหตุเกิดแมลงเกิดอะไรข้ามไปก่อนแต่ส่วนที่อยู่ก็ถึงเวลามันก็เสื่อมซามสลายไปโดยธรรมชาติมัน เราอะไรมาเสริมมาเติมมาแต่งมันก็เท่านั้นเนอะมันก็คือาธาตุอันหนึง่งที่มีการอ น, นิจจงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาน้ําก็เหมือนกันกินน้ําหอมน้ําหวานไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนละ่ะธาตุมันไม่รับมันเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องกินเพราะไม่ให้ทุกเวทนาเกิดขึ้นมาก กินพอดีนะจะกล่าวป่วย ไ, ไปใหญ่ถึงต้องกินเหล้ากินควันกินบุหรี่กินโน่นกินนี่เป็นเรื่องของคนโง่ทั้งหมดนั่นั้นคนไม่รู้จักรักษ า, าธาตุรู้จักรักษาขันเอาชีวิตจิตใจนี้ประเขียมามาเล่นกับยาพิษเอามาเล่นกับความตายจะมีใครโง่เท่ากับมนุษย์เนี่ยลาพังกินอาหารในทุกวันเนี่ย เพียงเพื่อไม่ให้มันเมาเนี่ก็ยากลําบากแล้วเมาอาหารเมาห่วงเมาเงามันไม่เป็นสมาธิให้เมารูปเมารถเมากลิ่นเมาเสียงบางทีต้องรักษาความบุ๋นของร่างกายแล้วเนี่ยต้องหาผ้ามาห่มหาเสื้อหาผ้ามานุ่งมาห่มมาถือถ้ามันก็แตกดับเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวไปเพราะว่าธาตุน้ํามันไม่เพียงพอนะมันไม่เพียงพอ ถ้ามันเย็นอยู่แล้วมันก็สบายนะมันปรับความสมดุลของมันเองโดยธรรมชาติมันรถยุโรปเนี่ยเขาไม่มีหม้อน้ำนะมันก็ง่ายมันปรับความร้อนความหนาวในตัวมันเสร็จสับแต่ทงเอเชียนี่ต้องมีต้องเติมน้ำนอกจากน้ำมันก็ต้องมีพัดลมนะมีลมในตัวเพราะเราก็เหมือนกันนะลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นท่อระบาย ไมข้างในมันร้อนเกินไปและให้ร่างกายนี้มันยืดหยุ่นร่างกายสังขารตามข้อตามกระดูกทํามอะไรเราขยับได้แต่ถ้าไม่มีลมมันจะยากลำบากเพราะระบบไฮโดริกนะมันมีความยืดหยุ่นในตัวของมันเองเราอยู่ได้เนี่ยเราสังเกตไหมเกิดเพราะอะไรเพราะลมนะเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้มันเป็นเพียงท่า ธาตุหนึ่งเท่านั้นเองดินน้ำไฟลมอะไรไปอะไมาทําหน้าที่ของมันแล้วเราก็ไปใส่ชื่อให้มันนะว่านางนั้นนางนี้นายนั้นนายนี่ทํามาสวมบทเล่นแบบพระเนี่ยเราก็สมมุติกันขึ้นมาไปอยู่ในโบสถนะ์จะอยู่ในโรงศักดิ์สิทธิ์จะแล้วก็สมมุติกันว่าคนนี้เป็นพระนะคนนี้เป็นโยมนะมันเป็นสมมุติจริงๆนะ แต่ว่าผู้รู้ทั้งหลายท่้นก็พยายามที่พัฒนาตัวเองจากสมมุติเนี่ยให้เป็นจริงขึ้นมาเป็นพระปลอมทำให้เป็นพระจริงที่จิตเป็นคนปลอมก็พยายามทาเป็นคนจริงผู้รู้ทำเห็นทำที่จิตไม่ลงเลือดเพลินกับความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสังขารนั้นนี้ในละมัวหลงเลือดเพลินอยู่กับร่างกายสังขารนั่นเอ มันมีรสชาติมีความสุขมีความสบายเหมือนเรามาคอยเคี้ยวกินอ้อยกับชีวิตอันเนี้ยกินอยู่กับรูปกับรสกับกลิ่นกับเสียงเราหากินทางตาทางหูทางจมูกดิ้นกายกินเวทนาไงเสพบคุณเวทนาสุขก็ติดสุขโทษก็ติดโทกไดลไปไหลมาอย่างเนี้ยทีนี้จะให้ดี บางคนเขาเรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากๆๆนะมายธรรมะเนี่ยฝึกสติแล้วมองชีวิตเนี่เป็นธาตุขันธาตุสีทางร่างกายในยมีธาตุสีนะดินน้ำไฟลมทางใจในมีสองธาตุธาตุแห่งความว่างหรือนิพพานธาตุมีอยู่แล้วกับอีนอย่างหนึ่งวิญญาณธาต ถ้ารู้รู้ตัวเนี่ยรู้ตัวรู้ว่างไม่ว่างก็เห็นสิ่งที่เราจะเอาคือสองทา่านนะเนี่ยวิญญาณาทา่ทานคือท่านรู้มาพัฒนาท่านรู้นี่ได้แต่ท่านสีเนี่ยเราพัฒนาไม่ได้พัฒนาตาให้ดีกว่านี้ไม่ได้พัฒนาหูให้เจริญก้าวหน้ากว่านี้ไม่ได้มันเจริญหูไม่ได้เจริญตาไม่ได้ ถ้าหัวจมูกลิ้นกายใจพัฒนามันไม่ได้มันเป็นไปโดยธรรมชาติมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เสื่อมอย่างเงี้ยแต่ธาตุรู้เนี่ยเราพัฒนาได้ให้มันเป็นมหาสติได้เป็นมหาปัญญาได้ส่วนธาตุโอกาสธาตุเนี่ยเราพัฒนามันไม่ได้มันเป็นแบบนั้นของมันนะมันว่างก็ว่างแบบนั้นมันไม่ว่างก็ไม่ว่างแบบนั้นของมันเราก็พยายามเดินเข้าไปมันใกล้ ชีวิตเราเนี่ยเพราะตรงนั้นจะทําให้ชีวิตที่มันไม่มีปัญหาดิน น, น้ำไฟลมอากาศสาธาติโอกาสเนีไม่ใช่อากาศนะดิน น, น้ำไฟลมโอกาสแล้วความรู้สึกตัวทําความรู้สึกตัวเนี่ยเพื่อเข้าไปอยู่ในโอกาสสธาตินั้นเพื่อรับรู้ภาวะอนั้นเข้าถึงภาวะนั้นตาความเป็นจริงนะแต่ถ้าคนไหนเขาไม่ถึง ก็จะเวียนว่าอยู่ในสังขารธาตุเราเคยได้ยินนะคนเรามีหมื่นโล ก, กธาตุอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เป็นหมื่นๆความคิดเนี่ยความปรุงแต่งราคะ ธ, ธาโทสะธาตุโมหะธาตุมุนหินอึดอัดเมตตาย่าคายิทานเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ตัวว่ า, าไม่มีสติพรอไม่รู้ตัวมันจะไหลไปกับความไม่รู้เลยความไม่รู้ก็เป็นไปนมดอนะ่ะเหมือนเรานี้ได้เกิดมา ในชาตินี้เราก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นของแถมมีโรคภัยไข้เจ็บสารพัแถมให้กับเรา mm hmm. เขาให้ดอกไม้เรามาตั้งแต่เราเกิดนะเ อ, เอาไปนะดอกไม้ชนิดนี้มันจะเบ่งบานวามกับชีวิตคุณคุณจเจริญเติบโตมากเท่าไหร่ดอกแห่งธรรมชาติจะมาให้กับคุณไปเรื่อยๆ แห้งเหี่ยวไปเรื่อยสุดท้ายก็คือคุณจะได้ดอกไม้จันทร์เป็นรางวัลเป็นดอกไม้แห้งโขกเทียนใส่นิดหน่อยเี่ยจริงๆเขาให้เรามาแล้วนะเราเกิดมาเราก็จะได้ความแก่ความเจ็บความตายได้วิบากคันได้สังขารติดมาด้วยสิ่งที่เราไม่อยากได้กลับได้ เพราะอะไรเพราะมันเป็นความจริงแล้วมันมีอยู่แบบนั้นแต่สิ่งที่มันไม่มีจริงเราก็น่าจะรู้จักแล้วไม่เอากับมันแต่เราก็เอามันลาบยศสเสริญไงมันไม่มีจริงเราก็วิ่งหาแต่ของที่มีจริงกับไม่ใช่ตาดูไปดูสิ่งที่มันไม่มีจริงเอารำ่ำเอารวยเอาสวยเอางามเอาราบยศเอาสเสริญเพาะฉั้นมันไม่มีมันไม่มีก็เลย จนตายเนะพวกเราหามันไม่มีหาแล้วมันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีจริงสิ่งที่ได้ก็คือความน้ําเหลวสิ่งที่ได้มาก็คือความว่างเปล่าทําให้เสียเวลาเวลานะกับการแสวงหาเนะี่ยพระท่านพูดแบบตรงไปตรงมาเลยบอกว่าหลงทางเป็นมุคคลพูดหลงทางหลงทางเสียเวลา แต่ถึงแม้ว่าจะตะโกงก็อนร้องตะโกนขนาดไหนก็ตามเนะผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวเองออกจากความหลงความเสียไปลำเวลาได้เพราะมันก็มีอาสาทะคือความเพลิดเพลินความเจริญใจมีความติดอกติดใจเป็นอนิสง์เป็นเหยื่อล่อให้หลงเนะี่ยมันเขาดักสัตว์ดักหมูดักหมากาไก่อะไรก็ทำเนอะเขามีอาหารให้อีเครื่องล่อ มีรูปมีเสียงเป่ามันถุกไปติดกับนะมนุษย์เนี่ย<ม>ก็ไม่ต่างจากสัตว์เท่าไหร่ทั้งพวงเนี้ยเขามีเครื่องล่อเครื่องหวานเครื่องดักสัตว์ดักฉิตเราเนี่ยล้วก็ไหลไปตามนั้นมนุษย์นี่ดักง่ายกว่าสัตว์อีกนะสัตว์นะตนี่มันยังมีลีลานะแต่มนุษย์นี่ดักง่ายเอารูปรสกลิ่นเสียงเอาความสุขสารเพลินๆหน่อยไปแล้ว เขาเลี้ยวไปตามอบายเส้นทางอบายอบายก็ไม่สบายเนะี่ยมันอบายมันไม่สบายไหลไปตามไหนตามรูปรสกลิ่นเสียงเรียว่าทุกขติมินิบาตหากไม่อยากเป็นแบบนั้นเราก็ต้องมาหันมามาพัฒนาเรื่องความรู้ความรู้ภาษาพระเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณ วิญญาณเป็นธาตุรูชนิดหนึ่งที่อยู่ในเรารวมเป็นธาตุหกนะดินน้ำไฟลมโอกาสสธาติธาติในความว่างมันมีอยู่ข้างในใจของเราในบางทีมันก็ว่างๆกายก็ว่างๆนะใจก็ว่างมีช่องว่างในกายในตรงที่ว่างๆเราก็ไม่ไปอยู่เราอยากไปอยู่ในที่มันับแคบไปอยู่ในที่ที่ภาวะที่มันเกิดขึ้นมันแตกสลาย ไปอยู่ในความมันไม่เที่ยงนะ่ะไปอยู่ในความเป็นอนัตตามันเกิดมากระหายไปเอาหายไปนะแล้วเราก็ยังแสวงหาไปอีกเมื่อกี้ก็มีความสุขนะทําไมความสุขหายเมื่อกี้คิดว่าได้พอมาถึงตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่หาไปเรื่อยๆแบบนี้เรื่อยๆเรียกว่าคนแสวงหาของไม่จริงถ้าคนจริงก็ต้องแสวงหาอริยะบริเยสนา สวงหาของที่ถูกนะสวงหาความจริงของชีวิตสวงหาภาวะที่มันไม่ทุกข์นั้นสังขารทั้งหมดในตัวเราเองเนี่ยธาตุทั้งหลายทั้งปวงพัฒนาได้แต่ธาตุรู้ความรู้อารมณ์อารมณ์ที่กระทบนะปัญญาในความรู้ความรู้ทาตงตาอะไรกระทบ่างตา ก, ก็ ร, รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยมันมีรูปมีอะไรขึ้นมาวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่สามารถมองเห็น วัตถุได้เพราะมีตาดีมีตาแล้วก็มีวัตถุที่โตพอแล้วมีการกระทบแล้วก็มีแสงถ้ามีองค์ประกอบแค่นี้ตามันจะสามารถเห็นได้การเห็นเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้แต่ในทางศาสนาศา ส, สนาพุทธเนี่ยเขาบอกว่าไม่พอมีตาก็ต้องมีตาดี มีแสงพอมีวัตถุที่โตพอแล้วที่สาคัญก็คือมีมีโยนิโสมนสิการมีการใส่ใจลงไปด้วยเรามองอะไรก็ตามนะถ้าไม่มีการใส่ใจมันจะเบลเบลแล้วก็หายไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฟังก็เหมือนกันถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการมไม่ได้แต่ทางวิทยาศาสตร์เขาไม่มีคาว่าโยนิโสมนสิการเราปฏิบัติ ร, รมเจริญสติเนี่ย เราก็ต้องมีอยู่ในสฉมมนติการมีการระลึกรู้และทําต่อเนื่องให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสภาวะของวิญญาณธาตุหรือความรู้ตัวเนี่ยการรับรู้เนี่ยแทบจะเป็นเันเดียวกันมาพัฒนาความรู้สึกตัวก็คือมาพัฒนาจิตวิญญาณของเรานเองทําให้มันตื่นตัวขึ้นมากขึ้นผองไสขึ้นเบิกบานขึ้นเห็นขึ้นมาเข้ามาเข้าเดี๋ยวมันก็เป็นสติเป็นสมาธิขึ้นมา จากความรู้รู้อารมณ์กระทบตางูจมูกดิ้นกายใจมีความรับรู้ขึ้นมาเนี่ได้ยินเสียงนะดองกลิ่นนี่รี ด, นนะดแต่ที่นี่นจะพัฒนาในทางพุท ธ, ธก็คือพัฒนารู้เฉยๆละวางรู้ละวางรู้ระวา ง, ร, ร, วางรู้อยู่กับปัจจุบันและต้องทําให้นานๆด้วยทําให้นานๆประกอบความรู้ตัวนี้นานานะ พอเรารู้สึกตัวปุ๊บจิตมันก็ไม่ค่อยออกไปข้างนอกมันตัดกระแสได้ดีรู้สึกตัวนี่ตัดกระแสของสังสารวัตรเลยนะมันไม่ไหลไปอยู่กับความคิดนะถ้าเราไม่รู้สึกตัวมันไหลเข้าไปในสังสารวัตรในวัฏฏะสงสารดดีเลยเขาต้องบอกไงกลางวันนานค่ําก็คืนนาแจ้งสําหรับคนป่วยไข้คนเป็นไข้เนี่ยมันจะนาน ผลทางนี้ยาวไกลสําหรับคนแบกของหนักขึ้นภูเขาเนี่หนักนะของ น, น้อยก็นหนักนะไปเดินทางไกลๆนี่ก็แบกของหนักแต่วัฏฏะสนรสารเนี่ยคือความคิดอารมณ์วเนี่ยจะยืนยาวนานเป็นพบเป็นชาตินะสําหรับผู้ไม่รู้แจ้งสัจธรรมผู้ไม่เห็นธรรมเนี่ยวัฏฏะสงสารเนยยืนยาวนานมากความโกรธโกรธคนนี้โกรธนาน ความเกลียดความรักความชังทั้งที่จริงเกิดแล้วก็ดับนะแต่เราไปใส่ใจหรือสนับสนุนภาวะของการเกิดมากกว่าเนะี่ยไปพอใจหาเหตุหาผลหาความคิดความอยากไหลไปตามอารมณ์เลยออกจากทุกข์ไม่เป็นตัวนี้ก็เลยเป็นทุกข์แทนที่จะดับทุกข์เราก็ไปเพิ่มทุกข์เดี่ยเนี่ยเราคิดว่าการกระทําของเราเนี่คือการแก้ทุกข์แต่ความจริงไม่ใช่นะ ยิ่งทำมากก็ยิ่งทุกข์มากชีวิตนี้ยิ่งพลุงพลังมีขยะมีอะไรเยอะแยะลกตัวลกเนื้อไปหมดลกกายลกใจจนกลายเป็นนรกขึ้นมาดังนั้นจึงอาศัยกันเจริญสติบ่อยๆเป็นการตัดกระแสของสังสารวัตรตัดภพตัดชาติตัดความมีความเป็นความปรุงความแต่งตัดมันออก ยิ่งเรามีความคมของสติมากเท่าไหร่การตัดความคิดตัดอารมณ์ก็จะไวมากเท่านั้นแต่ถ้าสติไม่คมปัญญาไม่เจียบคมปัญญาไม่แหลมคมเนี่ยมันตัดกิเลสไม่ได้ตัดความคิดไม่ได้ตัดสังสารวัฏไม่ได้เมื่อมันทำไม่ได้เราก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่นั้นตลอดไปบางทีเป็นจนตายนู น, นะมนนเมื่อคนเลื่อมใส ฝรังบางคนได้ยินเรื่องพุทธศาสนาดับทุกข์เฉยๆเนี่ยเขาเกิดปิตินล้วเกิดความอื้ออิ่มแล้วคนหลายหลายคนได้ยินชื่อของคนนั้นได้ยินฟังเสียงท่นนานพูดอะไรก็เกิดเลื่อมใสละไปฟังทำปฏิบัติทำเข้าใจทำธรมธรมะจึงหมายถึงธรรมชาติอันนั้นธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งนั้นสภาพธรรมที่มันทรงไว้ซึ่งความไม่ทุกข์มันเป็นแบบนั้นของมันเนี่ย เราปฏิบัติเข้าให้ถึง น, นั่นเองตัวไหนเป็นตัวถึงจิตของเราเนี่ยตัวไหนพาไปถึงปัญญาตัวไหนเป็นตัวผลักดันวิริยะตัวไหนดูแลระหว่างกันเดินทางเนี่ยก็คือสติมันไม่กระเด็นกระดอนออกไปเวลาเดินทางไปเนี่ยมันจะไปเจออารมณ์นั่นอารมณ์นี้ก็คือสมาธินี่ต้องอยู่ในภาวะนั้นก็ขยับไปขยับไปขยับไ ป, บไ ป, บไปเดินทางไปใจมันก็ตื่นก็รู้ก็เบิกบาน วิญญาณเราจะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อก่อนวิญญาณเป็นวิญญาณเปรตวิญญาณผีเนะี่ยคือคุณคิดติดอารมณ์แต่ตอนนี้มันก็สูงขึ้นสูงจากนิวรณ์สูงจากกิเลสจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอิสระของมันนะ่ะเขาเรียกว่าคนถ้าปฏิบัติดีๆสักพักเนี่ยจะมีหูทิพนะหูทิพคือฟังเรื่องที่เกี่ยวกับการดับทุกข์ของตัวเองเป็นนะ ไม่ใช่ฟังเสียงคนนั้นพูดคนนี้พูดนะอันนั้นเป็นอีกแบบหนึง่งมันเลือกได้แต่ก่อนมันฟังมดสารพัดแต่มันจะฟังใครว่าอะไรยังไงเก็บมาหมดเลยใครดุใครด่ใรดาใครกระทันใครแดกใครดันใครเสียดสีใครประชดประชันอะไมันเก็บมาหมดเลยเนะี่ยอันนี้บอกคนไม่มีหูทิพย์แต่ปฏิบัติทํามเราจะมีหูทิพย์แต่ก่อนตานี่ก็ดูมดอะไรก็ตามดูหมดเนะ่ะไม่เลือกว่าอะไรเป็นอะไร แต่ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมันจะดูออกฟังออกก็เห็นเข้าใจมันรู้อะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมมันรู้ออกมันนึ ก, กเป็นมีพระโอหนึ่งในผู้ธศาสนาชื่อปุกุสาตินะปุกุสาติเนี่ยได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้าได้ยินพระพุทธองค์ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยท่านเป็นผู้ดับทุกข์ได้เขาไดถามเขาท่านมีลักษณะอาการท่าทางไง สำรวมแล้วว่าระวังแล้วก็มีศีรษะโกนแล้วนุ่งผ้าย้อมฝาดพอฟังแค่นี้น้ำตาไหล ấy. มีความร่วมใส่ศรัทธาวาศาสดาตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนอยู่โ น, น่นอยู่ทางใต้ของชมพูพทวีนันแต่ก่อนการเดินทางนี่คงลำบากมากไปไม่ได้ตัดสินใจเลยปลงผมเลยตอนนั้นเลยคนเดียว ปรงผมเอาเองแล้วก็ไปหาผ้าย้อมฝาดมานุ่งนุ่งก็ไม่เป็นนุ่งผ้าไปพระเนี่ยแต่ตั้งใจปน ม, มือขึ้นลอุทิศ ต, ต่อพระศาสดาการบวชครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศแกท่านสมณะโคดมขอเป็นลูกศิษย์ของท่านทางใจเริ่มตั้งแต่ยังไม่บวชเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เห็นท่านเนี่ยข้าพเจ้าจะขอถือวัดปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบท่าน เพราะที่ฐานบวชในบ้านก็ อ, ออกไปเดินทางเลยไปเรื่อยๆถ้าใครถามว่าเป็นอะไรเราก็บอกว่าเราบวชอุทิศเก็บมศาสดาเราขอภาวนาตัวเองว่าเราปฏิบัติตัวเพื่อพระพุทธเจ้าแต่เรายังไม่เคยเห็นพระพุทธเจา้าจนกทั่งมาเจอกันวันวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็คงไม่มีอะไรวิเศษหรือพิเศษแตกต่างไปจากคนอื่นมาเจอกับปุกุสาติเนี่ย ไม่รู้จักกันนะพระ ก, กุสติก็ไม่รู้พระพุทธยาพระยาเขาไม่รู้พรกทุศรติไปเจอกันในโรงของช่างปั้นหม้อนั่งคุยกันเขาจะเป็นช่างหม้อเขาจะมีเนาะไปอินเดียมันจะมีอ่ะมันมีเตาเหมือนบ้านจิงเขือเนี่ยแต่ก่อนนะแต่ในนี้มีเจ้าเดียวบ้านจิงเขือปั้นเตาอันนี้เพิ่มเติมให้ว่าอถามเขาาเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าที่มันหดหายไปส่วนหนึ่งคือหมาไม่เลีย้ยงมาตั้ง พอทั้งปุ๊บก็การแสวงหาฐานสรุปว่าเผาเตามันไม่ค่อยมีอะมันเข้าไปเอาไม่ได้ป่าแล้วก็กลายเป็นป่าอนุรักษ์ไปแต่ก่อนเป็นปศุสัตว์นะมาทั้งงั้นหาฟืนยากลําบากหาะอะไรยากลําบากดินแต่ก่อนเป็นของทั่วๆไปสาธารณะนะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ที่เนี่ยเป็นสนามบินรับสมัยสงครามโลกไว้สงครามมาเอเชียบุรพาททางวิ่งมันยาวมาก เครื่องบินมาหลบปุ๊บในนี้แล้วไปทิ้งระเบิดที่เวียด น, นามแล้วมาแต่นี้เขาก็พัฒนาเป็นหมาอะไเกษตรศาสตร์เฉลิมเพื่อเกียรติแต่ทางวิ่งมันจะเหลืออยู่แนละ้วะทางลันเวย์นะเขาไม่มีแนละเดี๋ยวเนี้ยไม่มีแต่ก่อนไปเอาต้นไม้เอานน่นเ อ, นอนา t h i เผาแต่นี้ไม่มีแต่พอเราไปดูมันจะเป็นโรงโรงเผาโรงปั้นหม้อโรงปั้นหม้อโรงเผาโรงตากโรงอะไรต่างานี้ เพราะพระุทท่านเสด็จไปสแสดงธรรมที่โนที่นี่ท่านก็จะแวะนั่งคุยกันท่านภู ก, กุสสาติก็เหมือนกันเดินทางไปผ่านบ้านช่างฟันหม้อบวกน้เขาจะไปเขาจะพักแ้วพูดปะพูดคุยสนทนากันเนื้อหาที่เขาคุยเ็คุยเรื่องธาตุเรื่องธาตุสี่เรื่องขันห้าขันห้าือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณชีวิตเนี่ยเราไม่ควรยึดถ้ายึดเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อนั้น ต้องรู้จักปล่อยวางรูปสักแต่ว่ารูปเวทนาก็เหมือนกันนะพเพราะนามันมีรูปรูปทางกายอันหนึ่งนะรูปทางความคิดที่มันผุดปุ๊ดออกมาเนี่ยเป็นนา ม, มารูปอะเนี่ยแล้วมันจะเกิดความพอใจไม่พอใจกับความคิดที่คิดเมื่อกี้เนี่ยนะนะมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเมื่อกี้เป็นเวทนาพอเป็นเวทนามันก็จะจําเอาจําเอาความคิดอันนั้นที่คิดเมื่อกี้เป็นสัญญา แล้วมันก็เป็นสังขารคือมันปรุงแต่งไปยืดยาวไปมงดีปรุงชั่วปรุงถูกปรุงผิดเอาอันนั้นมาเติมวันนี้มาเติมจ น, นมันอร่อยนล้วแหละอร่อยจนกระทั่งว่าเราอยากไปทําตามทําตามความคิดเนี่ยที่มันขึ้นมาเมื่อกี้นี่นะ่ะตั้งแต่มันเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขาเป็นวิญญาณอยากทำตามความคิดมันก็ล่องลอยไปที่ความคิดมันล่องลอยไปนน่นเป็นปนี่ไปหาคนนั้นหาคนนี้เราก็บ้าไปตามความรู้สึกอันนั้นแหละไหลไปตามกระแสนะ มันอยากไปไหนก็ไปตามมันนะ่ะทีนี้เราปฏิบัติรำเนี่ยเราถอนอุปทานถอนความพอใจไม่พอใจในรูปในวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเราหยุดเรารู้สึกตอนไหนเราตัดสังสาร ว, วัฏตอนนั้นไม่ให้มันหมุนเหมือนคนอยู่ในอาคารเนี่ยงมหาว่าเอ้ยปิดไฟนี่ยังไงนอนาะปิดพัดลมยังไงงมไปงมมาเขาไปเจอแล้วสวิตต์โอ้มันผ่านไปตรงนี้นี่เองเนี่ย ปิดสวิตช์ที่ปุ๊บมันก็ไม่ไปไฟมันก็ไม่ออกนั้นสายคือรูปมันวิ่งอยู่ในนี้มันมาตามสายเยวท น, นาเวทนานี่คือสตาร์เตอร์นะสัญญาคือบาลาดสังขารก็คือหลอดวิญญาณก็คือแสงนั้นถ้าเราตัดวงจรตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ออกแสงเลย มันจะไม่ปรุงแต่งเลยมันจะไม่ไหลไปตามนั้นเลยนั้นทันตรงรูปก็ตัดตรงรูปพันตรงเวทนาก็ตัดตรงเวทนาทันตรงสัญญาก็ตัดตรงสัญญาตรงสังขารตรงวิญญาณหรือบะลาดก็ได้ถอดสตาร์เตอร์ก็ได้หรือถอดหลอดออกก็ได้แสงมันจะไม่มีวิญญาณมันจะไม่เกิดทําลายวิญญาณโดยการแก้ที่เงื่อนไขมันเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติโอ้มันเป็นประกอบกันได้เฉยเนาะ พอมันหยุดปรุงแต่งนี่ยโอ้มันเป็นธรรมดาอันนี้เราหลงหลงว่ามันเป็นแบบนั้นจริงจริงมันไม่ได้เปลนเราคิดไปเองนะพอมันหยุดไหลมันไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยมันเป็นของไครของมันประกอบเพื่อ้เฉยร่างกายสังขารนี่ก็เหมือนกันนะเพราะมันไหลไปสู่ความรักความชังเนี่ยมันถึงกลายเป็นความสวยความงามความดีความเลวขึ้นมาดันดีนะเพราะเราไม่เห็นมันไงนี่ก็มาเฝ้าดูดูไปดูมา เห็นนึกออกอ๋มันเป็นรูปก่อนนะเนี่ยแล้วมันก็เป็นเวทนานะเนี่ยมันเป็นสัญญาแล้วเราเข้าไปนั้นสติที่มันละเอียดละเอียดละเอียดมันจะเริ่มเห็นโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะถ้าเราตัดปุ๊บมันก็ดับเหมือนปิดสวิตซ์ปุ๊บเกเสร์มันก็หายไปมันหายไปไหนความคิดความอยากไม่รู้นะแต่พอเราดับตรงนี้มันก็หายไปกระแสไฟก็มีอยู่ก็มีไม่มีก็ไม่มี แต่มันก็ดับไปแล้วเราปลดสวิตช์ไปแล้วมันดับแล้วมันไม่ทํางานมันจะวิ่งอยู่ในกระแสนั่นแหละอยู่ในนั่นแหละเหมือนกัน ไ, นไอ้ความคิดความนึกความจําก็มีอยู่แบบนี้แหละแต่มันไม่ทํางานกระแสของอุปทานมันไม่เกิดขึ้นคุยกันไปคุยกันมานะปุกุสาติมองรู้ทันทีว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาหรอเพราะพูดได้เจ้าแน่ๆเลยเนี่ยก็เลยนั่นลงลงก้มกล่าวทนะวุโส พันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญท่านคือพระสมัมณัโคดมใช่หรือไม่เนี่ยแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนเรานี่แหละแต่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้สำเนีอ่อไม่อะไรก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยว่าใชัยก็กราบขอเข้ามาลาโทษที่แสดงอาการก็เหมือนกับว่าเป็นนักบวชที่บวชได้เองก็ไม่ธรรมดาละ่ะที่ต้องมีความรู้ระดับหนึ่งมีความยิงแยะโสอนันจังหวะหนึ่ง พอมาเจอนี่ก็คือจะพูดคุยธรรมะ ก, กันแหละแต่ไม่ได้เรื่องนั้นไม่เข้าใจแต่พอตั้งใจฟังจริงโอ้พระพุทธเจ้านะเนี่ยท่านคงไม่มาหลายรูปเกิดเลื่อมใสขึ้นมาโอ้นี่พระพุทธเจ้านะเนี่ยก็ฟังทำแม้ที่สุดเกิดความซาบซึ้งเริ่มปิติเกิดความสว่างสวยขึ้นมาในใจก็เลยขอบวชไอ้ที่บวชมาเนี่ย ข้าพเจ้าตั้งใจบวชอุทิศเกี่ยวกับศาสดาแต่ปัญญาไม่เกิดพึ่งเข้าใจชีวิตอย่างบวชกับพระศาสดาจริงๆนะ่ะจะได้ไหมข้า พ, พเจ้าท่านก็อนุญาตท่านบอกว่าท่านยังไม่มีบาตรบาตรท่านยังไม่มีสมณะในตำแหน่งไหนนี้ไม่มีการซื้อการขายไม่มีโคลรั ก, กรรมโจรกรรมพาณิชยกรรมกสิกรรมเศรษฐกรร ม, รรรมไม่มีคือการทาํามาคคขายมันไม่มีในศาสนาเนี้ ไม่มีการซื้อการขายไม่มีการทำอาชีพทำมหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันไม่มีถ้ามีถือว่าผิด่ะเดี๋ยวนี้พระสงฆ์เราเริ่มละทำกะเกษตรทำสหกรณ์ทำคือทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างที่ว่านะจะเริ่มปลูกสวนยางก็มีทาอะไรก็มีบางทีในวัดมีตลาดนัดมีนวนมีโอสาราพัตแต่จะเป็นมันเหมือนกับที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าในอนาคตการ จะมีพระสงฆ์ครึ่งพระครึ่งคนจะเป็นพระก็ไม่ใช่จะเป็นคนก็ไม่เชิงเป็นญาติโยมก็ไม่ใช่เป็นพระก็ไม่เชิงเขาเรียกว่าโคตรภูโคตรภูสงผู้นี้จะมีภรรยาเป็นพระแต่มีภรรยาเราเห็นไหมพระประเทศญี่ปุ่นแนละ้วเขามีภรรยา ไปอินโดนีเซียเนี่ยพระเขาก็มีภรญยาจเจ้าวาดที่เป็นโยมนะเขาว่าปฏิบัติธรรมก็ได้รู้ธรรมะได้เข้าถึงธรรมได้มันก็อยู่ที่ใจอะไรมันมันก็ถูกนะแต่ว่าถ้าสูงๆขึ้นไปเนะี่ยเป็นไม่ได้ท่นพระสงฆ์องค์นั้นท่านมาเยี่ยมประเทศไทยพร้อมด้วยภรรย า, าพระญี่ปุ่นนะเขาเป็นนิกายของเขาขเขามีความเชื่อโลกกับธรรมมันไม่ต่างกันเขาบอก โลกกับธรรมไม่ได้ต่างกันกิเลสกับธรรมะนี่เป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่ที่จิตว่างก็เป็นธรรมะเมื่อไหร่จิตปรุงแต่งก็เป็นกิเลสนั่นเองเขาไม่เรียกวรนยาเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อนร่วมเดินทางเดินทางแสวงหาสัจจะด้วยกันนะแต่ที่เคยเล่าให้ฟังนะในที่เบตเนี่ยมีเลยแต่งงานกันอยู่ด้วยกันเอา้าวผัวทํากับข้าววันนี้อาทิตย์นี้เขาทําสวน ไม่ได้ไปสวยงาะเพราะว่าถ้าเป็นญาติโยมแบบนี้ไปวินเทบาตเขาก็ไม่ให้นะแต่เขาถือครองวัดปฏิบัติของพระห้าเปอร์เซ็นะของพลเมืองที่เบียดเป็นพระน่ เ, นเผัวทำกับข้าวเอาคั้นส้มผักซะวันนี้ทำกับข้าวไว้ปลูกผักหาข้าวมาเลยมาไวากินแล้วเขาก็พากันเก็บอารมณ์เลยนะทางคนต่างปฏิบัติดูแถวแถวเชิงเขาหิมอะไรนะปฏิบัติเพื่อบรุษทำไหม เอางวดนี้อาทิตย์นี้ให้สามีเข้ากรรมฐานซะเมียก็ทําไร่ทําสวนไปปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์แต่อาทิตย์ต่อมาอ้ามสิบห้าวันภรรยาเข้ากรรมฐานเขาอยู่ด้วยกันนะแต่เขาไม่ได้ยุ่งกันเรื่องกามเรื่องอะไรประมาณเนี่ยต่างคนต่างฝึกฝนจิตเพราะทัศนวิสัยเขาเข้ากันได้ใหม่ๆก็ จ, จะมีเรื่องกามบ้างเล็กๆน้อยๆไปตามประเพณีนี้ิย ม, มเขาจะมีลูกบางทีเนี่ย แต่ลูกเขาเนี่ยเขาต้องการเลี้ยงมีคนหนึ่งแล้วเขาจะเลี้ยงเลี้ยงเพื่อให้สืบทอดเจตนารมณ์เขาถ้าเขาไม่บรรลุเขาเขายังไม่บรรลุเนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกเขาให้บรรลุให้ได้และลูกเขาบรรลุทํำพ่อเขาเข้าใจธรรมะเนี่ยเขาจะไปสอนธรรมะที่บ้านนั้นบ้านนี้กิจวัตรเขาหนาพระทิเบศเนี่ยไปสอนธรรมะที่รูนี้ให้เข้าใจธรรมะทีนี้ถ้าสมว่าภารกิจเขาเนี่ยเขายังทําไม่เสร็จเนี่ยลูกเขาจะสานต่อ ลูกเขาก็ปฏิบัติทำแก่งกาแล้วเขาไปหาสอนแทนเป็นเจ้าอาวาสแทนนะเขาเขามุ่งเรื่องจิตวิญญาณมุ่งมากกว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเข้าของภูตานเนี่ยลองไปศึกษาดูนะไม่รู้เป็นยังไงนะภูฐานเนี่ยเขาเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวอะไรเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของวิปัสสนาอาจจะน้อยอาจจะเป็นเรื่องพุทธประเพณีจะเยอะกว่ามันน่าทึ่งนะวิถีชีวิตแบบเนี้ยเราไปดูโอ้พระองค์นั้นบรรลุธรรม ขณะที่ทําสวนอยู่คนนี้ก็ทํากับข้าวอยู่นะภรรยายื่นกันมาก็เกิดสว่างเกิดรู้แจ้งเกิดอะไรขึ้นมาเขามุ่งเพื่อการสิ้นพบสิ้นชาติสิ้นทุกข์นะแต่ของเรากลับมาดูของเราไม่รู้อะไรอะ่นะมีแต่วัฒนธรรมมีแต่ประเพณีเขาเข้าใจนะเขาดูออกนะว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยยิ่งถ้าเรารู้เราเข้าใจเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นเรื่องที่น่าละอาย พอเราไม่มีสาระอะไรเลยศาสนาเราเนี่ยเราดูเขาแล้วเขาแต่งตัวเหมือนพระเหมือนโยมนุ่งเสือ้อนุ่งกางเกงนุ่งผ้านุ่งอนะแต่เขามุ่งปฏิบัติธรรมจริงๆเข้าถึงมากกว่าเราไอ้เครื่องแต่งตัวเนี่ยเขาไม่ได้อะยีหลังคางขอบอะไรนะมันเป็นแต่วพวกเรานั้นเองนะเหมือนเข่งคัดนะแต่หาสาระไม่ได้อย่างน้นอยๆชีวิตของเราเนี่ยอยู่แบบนี้เนี่ยปีหนึ่งน่าจะได้ปฏิบัติธรรมสัเกเ็ดวัน 6เดือนเข้าฝึกอบรมจิตเนี่ยฝึกฝนใจอยู่บ้านก็ทำความเพียรไปสอบไปวัดใจตัวเองอยู่ที่วัดอีกสักช่วงหนึ่งอะไรประมาณนะั้นอย่างน้อยนะมันก็จะพัฒนาได้เรื่อยๆเดือนหนึ่งเนี่ยเอาจากนี้ไป5ปีปฏิบัติทุกปีปีละ7วันมันจะเป็นโสดาบันไม่ได้เชีวเหรอเป็นไปได้นะทำไมจะเป็นไปไม่ได้ แทนที่เราจะจมอยู่ไม่จมละไปละรู้เห็นเส้นทางเดินทางอ่ะฝึกวันนั้นนิดเลินน้อยนะเข้านะเข้าสองข้อสามข้อเริ่มเก็บอารมณ์ละที่นี่มาเข้าห้องกรรมฐานทําเข้มละพอแก้อารมณ์ตัวเองเป็นและรู้จักสมมติระดับหนึ่งละง่วงเหงาก็แก้ได้ละเบื่อก็แก้ได้ละเหลือแต่ตัวรู้มันไม่ต่อเนื่องก็เข้ากรรมฐาน เือนพระที่เบต น, นะ่ยเขาให้เมียเขาเข้ากรรมฐานวันนี้กขาผัวเขาลูกเขาเวลาเขาไปสอบเขา้าสอบเป็นพระเนี่ยสอบเป็นลูกแก้วเหมือนทางเหนือเขาสอบทางของเราเนี่ก็ยังเนี่ยเอาเพื่อสีธาตุเวลาบวชพระบวชอะไรนี่ยเขาสวมหมวกเหมือนที่เบสเนยลยนะทุกสูเขาเลือกใส่งอบนะเวลาดูประเพณีหดสงอะไรเขาก็ทําแบบนั้นเหมือนกันกันกบทางโ น, น, น้นเลยทางที่เบตทางพะมา้าด้ววัฒนธรรม เขาก็จำแจ้งนะ่ะเอาเอาลูกไปบวชลูกไปบวชคือไปเข้ากรรมฐานนั่นแหละในถ้ามีพระคอยสอบอารมณอยู่หกรูปรับรองว่าคนเนี้ยรู้ลูกนามหรือยังรู้แจ้งเห็นจริงหรือยังเข้าถึงธรรมอย่างสามเดือนห้าเดือนเจ็ดเดือนวันไหนที่พระอาจารย์กรรมฐานเขาประกาศรายชื่อว่าผู้มีสิทธิ์ผู้สอบติดเอ็นทานได้บะเรานะ่ะ คือสอบเป็นพระเป็นเนนได้จริงๆริงนี่โอ้ยเขาไปทั้งหมู่บ้านเลยเอาคานไปหามเอาตะเหลี่ยงไปใส่แห่มาเขาดีใจมากดีใจมากกว่าลูกเราสอบเข้ามาหาลัยได้นะสอบเป็นพระได้นี่คนชื่นชมสรรเสริญ น, นะเพราะหมายถึงว่าการบรรลุทำเบื้องต้นเกิดขึ้นกับผู้นั้นแล้วนะตัวเด็กเล็ก เ, เ, เ, เนี่ยภูมิใจแต่คนไทยนี่เ็เป็นแบบคนไทยนะสวงงา อะไรก็ตามนะ่การบริการการเอาใจใส่งานฝีมืองานอะไรระมาเนี่ยไปทำกระแสเวลามันมีอาหารการกินก็มีอย่างประเทศไทยเนี่ยอุ้มบาตรไปที่ไหนก็ได้นะเขาให้โอกาสไงที่เบียดมันไม่ได้นะ้วมันต้องทำมาหากินนะยากลำบากการเดินทางทั้งหนาวทั้งไรสารพัดนะของคนไทยนี่สะดวก เดินไปยนตก็ได้กินทางเนื้อก็ใต่ายภาคใต้ก็ดีภาคกลางก็ยิ่งเยอะมันเป็นโอกาสของเราที่จะได้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มแข็งจริงจังโดยไม่ต้องห่วงเรื่องภาระธรรมะหากินปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์กันเลยจริงจริงจังจังเนี่ยสังคมเขาก็ให้โอกาสเขาเคารพนับถือบุคคลผู้ฝึกจิตแต่เราใช้โอกาสไม่เป็นเกิด <c ười> มาลราไม่รู้ไปเล่นอะไร แต่ถ้าย้อนมาดูปุกุสาตติเนี่ยพอได้ยินได้ฟังเรื่องนี้อา้าวตัดสินใจเลยพ่อบวชเองก็บวชยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราบวชแล้วโคนผมแล้วเดินหาพระพุทธเจ้าฟังธรรมะไปมาโอ้รู้ว่านี่คือพระพุทธเจ้าแน่ๆเลยถามรู้ว่าใช่ทําไงอะ่ะขอบวชเลยขอบวชบวชกับพระพุทธเจ้าเราไม่ใช่บวชเองนะทีนี่พระเจ้าวะไปหาบาทมาหนะน้ามีบาทรไหมบาทก็ไม่ใหญ่บัดนี้เนะ คนหนึ่งกินเหลือสองคนกินอิ่มสามคนไม่พอกินสองคนที่กินอิ่มพอดีเนะ่ะบาตแต่ขนาดนะเหมือนบาตพระธิเบตนะน้อยๆที่มีตัวเลขตัวยนันนะ์นะสมมติเข้าจะถือไปไม่มีฝานะมันไม่มีฝาหาฝาได้เทียบตายแล้วไม่มีฝาเดินท่านก็ไปหาไปหาที่ไหนแหละอินเดียเนี่ย มันไปหาขอแล้วมันไม่ได้มันไม่รู้ข่าวขอไลยท่นก็ไปดูตามกองขยะตามเศษขยะเนี่ยที่เขาทิ้งไว้อินเดียนมันวัวมันเยอะมันไปหากินขยะเหมือนกันน่ะมันก็นอนตามขยะ่ะเขาถือว่าประเทศพระเจ้าอย่างพระสมมาสัมพเ้นี่ยสัมมาสมพุโคดมตะกูลโคนะเป็นประเทศเดียวเมื่อในโลกเนี่ยรถยนต์รถเก๋งรถอะไรก็ตามเขวียนม้าโคใช้ถนนเดียวกัน มันเดินอยู่ด้วยกันนะ่ะแล้วแต่คุณจะจอดไม่จอดวันที่โลโกจะเดินผ่านคุณต้องให้เกียรติเขาไหว้ซะก่อนออกไปก่อนถ้ามันขี้ออกมาเนี่เป็นประโยชน์มากนะรีบมาเอาทันทีเลยเอาขี้มาปุ๊บวางราดเอาใบหญ้าเอา c, ฟาง อ, อนะไรมาลาดขยำขย ำ, ขยำเป็นปันเป็นปันให้มัน ย, ยาวเป็นลูกไป็ล่างเอาไปตากแดดไว้เป็นฟืนเชื่อเพลิงหรือบางทีก็ทําเป็นแผ่นเหมือนขนมมานอะเนอะแปะไว้ตามฝาบ้านปั๊บ ปพอถึงเวลาสองสามวันเขามาแก่โอเควางเป็นชั้นชั้นชั้นช้ชั้นเทีเพลิงเขาเต็มเลยเนี่ยเขาทําเป็นเที่ยวเพลิงขี้หัวขี้ควายครับท่านเขาถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์มากเขาผูกโคลเขาไม่ได้ผูกหลังบ้านนะเขาผูกหน้าบ้านนะหน้าร้านเขานั่นแหละแล้วก็มีอ่างให้กินมันก็กินอยู่ในนั่นแ่ะตัดฟืนตัดฟางตัดอะไรกินแล้วมันก็ขี้ในนั่นแหละแต่มันไม่มีคําว่าขี้เหม็นหรอกมันไม่ได้พอจะเหม็นขี้มาว่าประเทศเขาเนี่ย พอมันออกมาแล้วเขาเก็บแล้วออกมาแล้วเขาเก็บแล้วย่งกระทองคำเนี่ยเนี่ลุงตาซื้อขี้วัวมาใส่ปุ๋ยต้นไม้ถุงละยี่สิบห้าบาทซื้อทีละร้อยถุงห้าพันเอาใส่ผักใส่อะไรนะในวัดที่ต้องไม่ขี้เกียจทุกคนอยู่เนี่ยใส่ต้นไม้ใส่นนใส่นี่ใส่สารพัดปุ๋ยหมักวัวอะไรมาผสมกันใส่เอ็มก็ไปมละลายใส่ต้นไม้ใส่ต้นไผ่ต้นนนต้นนี้ เห็นไม่บางทีดินไม่มีก็ซื้อดินมาถมถ ม, ถมต้นไผ่ออกไปเพราะว่านั่นนะมันก็จะดันมันออมาเรื่อยๆต้องออกเพรานก็แตกนอออไปเรื่อยๆแค่ลงทุนปีหนึ่งปีหนึ่งไม่น้อยนะที่แรกหลงแต่นื่ว่าเนน้อยเนื่ว่าทําเล่นๆพอมาไล่ดูพัฒนาวัดเนี่ยหมดไปยี่สิบสองล้านละมาอยู่ยังไม่ถึงยี่สิสองปีเลยแสดงว่าใช้เงินปีล้านๆกวา่าใช้กับเรื่องพวกนี้แหละจุกจุกจิกเรื่องเล่นๆน้อยเรื่องป่าเรื่องไม้เรื่อ ง, อ, อ, ง, อ, ง, อ, งอะไรต่างๆ ของบ้านเรานี่รังเกียทั้งโวควายเนี่ยต้มกินหมดแล้วโวควายบ้านเราหาดูไม่เห็นเลยเห็นแต่ปลายเหล็กก็ว่ายังให้ลูกหลานได้ดูในอนาคตไม่ค่อยมีอินเดียเขาไถนานในใช้สองตัวนะบ้านเราใช้ตัวเดียวหนักไปคนไหนมีโคมีอะไรเยอะเนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐีเวลามันนอนมันก็นอนไม่มีใครขมโมยมันหรอกมันอยู่ของมันนะทำฟองเขายากทำอะไร นั้นในประวัติศาสตร์ผู้ศาสนาเนี่ยจึงมีบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์หลายคนที่ไปหาเขียหาผ้าได้ผ้าเศษเล็กเล็กน้อยเท่านี้ก็มีนะเนี่ยเวลาพระจำบรรษาเนี่ยในพรรษ า, าก่อนออกพรรษาหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะปล่อยเป็นฤดูการจีวรฤดูการสแสวงหาผ้าหนึ่งเดือนที่ไปหาผ้าหาผ้าเสษไงที่ยวไปจำที่ต่างๆเก็บมาที่เล็กเล็กน้อย ใช่พืนใหญ่บ้างพื้นน้อยมากวันสุดท้ายน่ะก่อนเอรอาก็สายหนึ่งเดือนใน ห, หาอันนี้เขาเรียกว่าการเวลาเห็นการหาชีวนได้มาปุ๊บก็มานั่งนั่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งช่วยกันเย็บคนนี้ก็เย็บตัวนี้ต่อให้มันเป็นผืนในนี้ให้ได้ผืนผ้าพ้าใหญ่ขนาดนี้ขนาดกว้างหกคือประสุกศยาวสิบสองคือถึเย็บต่อกันมันหมดตัวนี้เต่าตอนนั้นมาเย็บมาแปะเขา้าใส่ขเข้า พระทั้งหมดในวัดนะเย็บอันนี้เาเรียกว่าทกถินภากถินเมื่อก่อนวิธีการเขาทาแบบนี้แหละองค์นี้ก็หามาองค์นี้ก็มาแต่ว่าจะให้กับผู้ที่มีจีวรเก่าข่ำกล้าหรือมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถทํากถินนักธารกิจให้ถูกต้องตามวิย น, นิยมบรมพุทธานุญาตบุคคลนั้นจะต้องรู้จักบุพภกิกบุพกรรู้จักอนิสง์ห้ามาติกาแปด บูพกิจก็ตั้งแต่การซักการตัดการเย็บการย้อมการเ น, าน่าการต้นกันถอนกันอะไรอย่างเงี้ยบูก็รู้จักวิกลับรู้จักปินทุรู้จักอธิฐานรู้จักอะไรคือเย็บเย็บเย็บแล้วก็ช่วยกันนะทั้งหมดนะนี่กิจกรรมสามัคคีต้องการให้พระสงฆ์ช่วยเหลือแล้วก็มอบให้รูปหนึ่งนะในวัดนั่นแต่เดี๋ยวนี้เจ้าอาวาสเอาหมดเลยเขาจะมอบให้พระเพราะต่อไปนี้ออกพรรษานี้เราจะไปใครไปมันล้วนะ ไปใครมันอย่าลืมกันเลยมาอยู่ด้วยกันพรรษาหนึ่งเนี่ยมอบจีวรให้จีวรท่านก็หนักเนาะเก่าข้ามกล้าแล้วท่านจะเดินทางคนอื่นก็พอมีอยู่องค์นี้ไม่มีเก่ากว่าเพื่อนมอบให้องค์นี้ไปเขาก็สาดุพนั้นพระสงฆ์เขาจะรักกันมากเคารพรับถือกันมากเดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องกระถิน่นเงินเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นผ้าแล้วผ้าก็ไม่ยากแต่ก่อนพระพุทธเจ้าไม่อนุ ญ, ญาตให้คารวะถวายนะพราแต่จีวรเนี่ยให้พระแสวงหาเอง ต่อมานางวิสาขาเนี่ยขอขนขวายบวชพระลำบากมากขอถวายผ้าดิฉันทอไว้อะไรก็ไม่ต้องไปตั้งเหนือไปที่แม่แจ่มเนี่ยไปบ้านโยมเขาถวายกระถินเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่มาปักกระถินปุ๊บแล้วเขาก็เริ่มไปหวานฝ้ายดูดิเขาไม่ได้ไปซื้อในตลาด น, นะเอาฝ้ายเอามาเด็ดมันไปหวานงอกออกมาเขาก็เริ่มทอเริ่มอะไรนะอยู่ เสม็จแก็มาดีดมาปัน่นขบวนการทาําผ้าทั้งหมดผ้าจีวรนะเขาทําเองหมดเลยเจ้าภาพเนี่ยทําเองตัดเย็บย้อมได้ปัน่นทอเข็นเขาทําเองหมแล้วมาเย็บเป็นจีวรแล้วเขาก็เอาไปใส่ในกองกระถินเขาไปถวายพระเขาทําจนครบชุดนะรอดตาไปดูเขาเนี่ย เ, นะเขาเอิบอิ่มมากปิติมากพอเราทุก ว, วันนี้ไม่มีอะไรขอติเงินไปใจ่ายในร้านนะ่ะมาได้ทันทีเลย มันจึงเกิดอ น, นิสงส์อะไรไม่ไม่ไม่เกิดอะไรเลยมันไม่เกิดกับจิตเราอะ่ะไม่มีผลต่อจิตเท่าไหรอ่อ่ะนิดเดียวเองแม้แต่เวลาไปทอดกระถิ่นก็ไม่มีการเทศการแสดงทำการอะไรเลยมันหายากแต่ก่อนนั้นเขาบอกว่าจึงหายากมากจนทั้งมาต่อมาพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันก็ร่องกระแล่งเกินไปอะ่ะเย็บผืนเล็กผื น, น้อยมาต่อกันมันมากไปแล้วมันดักด้วยนะบางอย่างก็ได้ผ้ายีนมาผ้าโทเลผ้าไหมผ้า พรมอะไรแต่มาเย็บต่อกันมันหนักว่ากพุทธิย่อเลยให้พระอนอนท์เป็นดีไซนเนอร์บอกว่าอยู่ที่เขาคิดจะกุดนะเขาคิดจะกุดเขาหัวอีแรงนะพอเรามองไปอยู่ที่คุปตะลางขังพระเจ้าพิมพิสารที่พระเจ้าอแจสตูขังอยู่ด้านล่างมองขึ้นไปมันเห็นเลยเป็นหัวเหมือนหัวแรงนะซึ่งเขาเรียกว่าเขาคิดจะกุดคิดจะกุดก็คือแรงนะ่ยอยู่ข้างบนนั่น เย็บผ้าให้พระพุทธเจ้าเย็บไปเย็บมาพระเจ้าเอาออกแบบให้มันเป็นอันเดียวกันไม่ได้หรือพระเราทั้งหมดเนี่ยอนนท์ออกยังไงเนีแล้วแต่แต่ว่าควรที่เป็นอันเดียวกันที่ี้พอมันอยู่บนเขานี่มองมามันจะเห็นทุ่งนาเขาน่ะพวกชาวมัคตเนี่ยเป็นทุ่งนาดูคันนามันเป็นอย่างว่านี้นั่นก็เลยว่าเอ๊ะทาเหมือนคันนาชาวมัคตนี่ได้ไหมทําไงเป็นช่องเป็นตานี่ยเดี๋ยวเป็นขันเนี่ย ที่ว่านี้เป็นขันเอาผืนเดียวไม่ได้นะต้องให้มันเป็นขัน เ, เอาผ้าเน็กผ้าน้อยมัต่อที่กันผ้ากรรมฐ า, านหลายรูปขอพินทุกเวลาได้มาเนี่ยเขาจะอาทูบแทงจุดไฟแล้วเผาแทงให้มันเป็นลูไม่ให้มันสวยงามสบงก็เหมือนกันเย็บต่อเนน่ย น, นนี้ไปให้มันขาดตอนนั้นตอนนี้บ้างไม่ให้ติดความสวยความงามไงเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดายิ่งผ้าของพระในเมืองพระอะไรอี่จ้าเนี้ยเกาจะสวยงาม บางทีบางวัดมีรีดด้วยเตารีดความร้อนสูงต่างหากบางทีบางวัดนะสอนธรรมะอย่างจีวรไหมสวิตอะไรประมาณนี้แล้วเขาจะไม่สอนเรื่องความชันโดดไม่สอนแต่เรื่องทําบุญทาทานจงเอามาจงเอามาอยนี้มันยากพระพุทธเจ้าก็เลยอนุมัตินะประทับตาตึ้งเอาเอาตามนั่นแหละ เอาแบบชาวนามัคคตนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาจีวรก็เลยมีรูปลักษณ์แบบนี้นะมีชายเขาก็ทำกินชายนะนี่สองชั้นเพื่ออะไรมันขาดเร็ ว, วมันถู ก, กับน่องเนะี่ยเดินไปเดินมาขาดง่ายเย็บผ้าดีบ้างไม่ดีบ้างมีผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าเห็นหลายคนมาหาผู้ิวเนี่ยพระนะพระกรรมฐานเนี่ยต้องการผ้าย้อมครามเพราะจะถนอมสีผิว แ้วก็มีอะไรสารอะไรถูกเขบาวาไปแต่เขามาถวายรดน้ำเราแต่ไม่เอาแล้วมั น, นหนักหมดนักเราไม่ชอบเอาอยัางไงก็ได้โยมมาถวายเก็บเอาไปตามเรื่องแล้วก็ถวายผ้าอันนี้เอาอันนี้อันนี้ก็เอาเงินันใช้เขาไปไม่มีอะไร ấy. เอาพอนุ่งได้พอถือได้ก็เอาแล้วขอแต่ว่ามันสะอาดหน่อยเถอะไม่ให้มันมีกลิ่นก็เอาลนะ แว่าก็ติอยู่บ้างก็คือถ้าผืนมันเล็กก็ไม่ไหวนุ่ง ม, มันก็จะเขินไปนะอย่างนุ่งผ้าเนี่ยเห็นผ้าใหมก็นุ่ง ม, มันก็เกินไปเนาะมันไม่มีแขนเนี่ยเหมือนพ้านักเลงนะ้เนี่ยมันน้อยก็จะให้มันใหญ่ๆหน่อยมันไม่ใหญ่ก็เย็บเพิ่มเอานั้นผ้าก็จะต้องเย็บเป็นเย็บถอยล้างด้นถอยหล้างเย็บจักรได้ไแรงดวงตาก็เป็นหมดแล่วนะพอทำฝึกเอามนุษย์ที่มันอยู่ที่การฝึกเย็บ พราเยบ็บจากเย็บอะไรให้พระฟีแต่สมัยไหนสมัยไร น, นะเยบ็บชีวรนเยบน็บะไปแต่ป็นเดี๋ยวนี้มันไม่คด้เย็บนะนะพระเขาสึกขาล้พี่ไปเขาผ้ามาทิ้งไว้แล้วก็เอามาโน่งนะสิได้สิได้ดว่าใช้มันเป็นประโยชน์นะบางทีเขารวบรวมเอาลงไปให้วัดโพคิ์คบังให้เนนให้อะไเขาใช้ผ้านะแต่เขาไม่ใช้สีนี่เขาใช้สีเหลือง นั้นมันมันแบ่งแบ่งสีกันโดยธรรมชาติเลยพระป่าก็จะเป็นสีคขำๆสีเขาเรียกว่าสีแก่นขนนนั่นเองแต่ถ้าพระในเมืองก็จะเป็นสีเหลืองเหืๆไปโดยธรรมชาติคือมันเป็นธรรมชาตินะของเรานี่อยู่เป็นพระว่าป่าจะใส่สีแดงแป๊ดมันก็เฮ้ยมันกระไรอยู่เนาะวันนี้พูดถึงประวัติศาสตร์พูดถึงความเป็นมาพูดถึงนั่นตรงนี้บ้างบางทีเดินทางไป คนเขาไม่รู้นะเขาก็เก็บไว้บางทีผ้ามันขาดมันเลยเขาทิ้งอยู่ตามป่าตามแม่พระก็เลยไปอันนี้จาวัตสังคาราอุปัตตะวัจ ร, รมินุปจิตวานิชรจนติเตสังอุปสมูสุโคก็รเรียกว่าชักบังสุกุลต่พระเดี๋ยวนี้เขาใช้เาไปกินบังไปกินบังบ่สับไร้าการมาก มื่อึงยามสมิงปังสุละยิมัง อ, อ, อัสสามิกังปปุนาติผ้าอันนี้คนคงทิ้งไว้คงคงทิ้งแล้วคงไม่มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของไหมหนาะลองเถอะอัสสามิกังปปุนาติขันบอมมีออตมาเอาเด้อพูดอยู่กลางป่านะเอาได้หนี้เอาได้นี้ พูดสามครั้งอสซาไมกังปะปุนาเตสซาไมกังปะปุนาเตะรอสักครู่หนึ่งนิ่งๆแล้วก็เอามาเป็นของเราเขาเรียกว่าชักผ้าป่าไงจึงเป็นคําว่าผ้าป่าผ้าป่านะ ม, นมาแบบนี้มันอยู่ในป่าไงผ้านี่แต่ปัจจุบันนี้ใบทันเหลียวเลยเขามันสวยงามชิปเอาโหลดเลยภิกษุรับสิ่งของที่ไม่ประเคียนเป็นอบัดนะแลนะไปหยิบเอาผ้าเขานะ ไปถือเอาไม่ได้บางทีเขาสบพมาอุม้มอุมมาศพไปจะทิ้งในป่าเอาศพมาทิ้งในป่ายังไม่ได้ทิ้งเลยไปแก้เอาแล้วพระนี่มาของกูด้วของกูด้อยนะซักบางสกุลก็ปัจจุบันก็ท่องแทบไม่ได้นะหวานหมูหวานหมูห ว, ห, มหวานกูมเอลยไม่ไดนะ้บางคนก็ไม่ได้อะไรพอปวดมากครับเขาบอกให้พูดดังๆนะ่ะของนี้ไม่มีเจ้าของใช่หรือไม่ นะนั่นถือว่าตกแก่เรานะตกแก่เราเด้ออาตมาเอาเด้ออาตมาเอาได้ให้พูดหนเดี๋ยวนี้มันพูดดังไม่เป็นครับเห็นไหมเอาท่านประธานขึ้นทอดผ้าบางสกุลที่สมมุติว่าเป็นผ้าอยู่ในป่าล่ะเนี่ยเป็นผ้าเป็นผ้าห่อศพก็ไปวางไว้ในลวงศพนั้นผ้าขึ้นไปครับมันท่องไม่ได้ก็เอาตลัปัดมาบาังหน้าไว้ หลวงปู่สั่งขึ้นไปเบาแต่ละทีก็ตกใจเพราะหันแต่รูปมันมาแต่ละปัดก็หันตละปัดก็กลับแต่ลัปัดผิดทางแล้วแย่เลยนะกับแต่ละปัดบิดทางหลวงปู่สั่งนี่เอาประจำนะลืมเบิงบ่นว่ามองแต่เบิงแต่ซ่องกระปากไปเลยแต่ลัปัดมันหันมากกว่าเด้เบิงยากลําบากพิษไม่เลี่ยงกับแต่ลัปัด นเรียกว่าผ้าป่าผ้าป่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีป่าทํายังไงเราก็สมมุติกันเอาลูบผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าหน่อยๆราคาถูกๆมาปั้นเป็นชนีแล้วก็ติดตัวดำๆใส่นี้ทําเป็นชนีแขวนอยู่ะในต้นผ้าป่านี่ป่าน่ะเนี่ยแล้วผ้าเสบงวางไว้เ น, นี่ยนะแมีแต่งเงินนะวางไว้ให้พระมาทอดมาจับเอาในผ้าป่านี่ไง แล้วเราก็สมมติกันไปเรื่อยๆสมมติไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเราเล่นสมมุติไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาจริงไม่ได้ไปอยู่ในป่าแล้วไม่ได้หาอยูในป่านั้นจิตของพระที่จะเข้าถึงทําเป็นไปได้ไหมมันก็ยากเพราะมันไม่ได้เป็นกระบวนการของการปลูกฝังคุณธรรมตามลําดับมาเลยแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะกระถินกถินกถินกระถินกระถินมาจากภาษานั้นเขาเรียกสะดึงไวสะดึงคือพระจะมาตีไม้ ตีไม้เป็นสี่เหลี่ยมเวลาเขาจะทอดกระถินเนี่ยไม้โบราณแล้วก็ผูกติดทางโน้นแล้วตรงนี้องคนี้ก็เย็บออกมาทานันนี้เอามาเย็บต่อเย็บต่อเย็บต่อครึ้งนะ่ะองค์นี้ก็มานั้นเขาอย่างต่ามีสี่องคเพราะว่าจะเย็บสี่ชายสี่ออกไปทั้งสี่ข้างสี่ไปทางนั้นนั้นนี้เย็บเย็บเย็บเย็บให้เสร็จภายในหนึ่งวันหนึ่งคืนนะถ้าช้ากว่านั้นมันสว่างแล้วยังไม่เสร็จไม่เป็นอันเป็นกรถิ่นนะ ถือว่าจบไปใช้ไม่ได้นะผราน่ะเป็นโมฆะนั้นเขาจะเย็บกันเต็มที่เลยก็ไปดูวัดหนองประพงษ์เนี่ยเขายังทําแบบนี้แต่พระเขาชนานาญมากเย็บจกักรปืดปลืดปล้ดปืดนะชั่วโมงหนึ่งเป็นผืนนะแจกกันได้เลยแต่เขาห้ามห้ามทําก่อนนะให้ทําวันเดียวนะเอามารวมกันไว้หาได้มารวมกันแล้วทําวันเดียวทําวันสุดท้ายของของตานี่ เวลาไม่มีคนมาทอดกระถินก็ไม่เป็นไรก็อบอกยีมมันยี้มมันมีตังไหมมีไม่มีเอาที่ลงตาก็ได้เอาไปหกร้อยแปดร้อยเอารีบไปซื้อผ้ามาต่ไว้กระถินพระเขาไปซื้อผ้ามาจากตลาดแม่กลัวสามคนก็มาอีมานี้ที <laughs> ผ้านี้เป็นของบริสุทธิ์ ดดเลื่อดลอยมาในน้ำพะก า, า, าตรตกลงในที่หน้ามังางระวางสงจะจําเพาะเจาะ จ, จ, จงผู้ใดผู้หนึ่งก็ไม่ได้มีพุทธานุญาตสั่งวันนาไว้ว่าสมควรให้กับพระแก่พระเฒ่ า, ารูปใดรูปหนึ่งในวัดนี้พระองคหนึ่งก็จะตั้งตลับปข้าพเจ้าเห็นสมควรไม่ให้คนเห็นไนีไม่รู้ว่าเสียงมันมาจากไหนนะแต่เราเตรียมกันไว้แล้วว่าบางบา ง, บางข้าพเจ้าเห็นสมควรแก่หลวงปู่สัง เฮโรอีโน no. มีปัญญาสติปัญญาเฉลเยวฉลาดสามารถเมาทุกวันเลยเฮโรอีโน no. นี่แปลว่าเมาทุกวันนะก็สมควรก็มอบให้ท่านท่านก็พิณทุอธิษฐานให้จบอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี้มันเป็นประเพณีไปหมดนะมีนําซ้ามีกรถินทงางญาติตาทางชนละมากจ้ำจ้ำ ทอดก็ถิ่นนะไปทางน้ําก็ถิ่นทางน้ําวัดอรุณราชวารารามวัดก็มียศนาโ ย, ยมโยมเข้าใจไหมเดินวัดจะมียศราชวรมหาวิหารเนี่ยชั้นเอกชั้นโมระมหาวิหารต่อมาวัดพระธาตุพนมวรวิหารเนี่ยชั้นต่ําลงมามีพระอารามหลวงชั้นตีชั้นโทชั้นเอกชั้นราช ชั้นวระชั้นอะไรโอ้โหสารพัดนะไมันมีแต่ชั้นมีแต่ชั้นอยาว่าแต่ชนชั้นแต่โยมเลยวัดก็มีชนชั้นมันจะมีอ่ะถ้ามีระดับวรวาวิญาณชั้นเอกมีอยู่เจ็วัดในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นระดับพระเจ้าแผ่นดินหรือตัวแทนไปทอดนอกนั้นก็คือธรรมดาธรรมดานะทไปเราเอาหน่วยงานนั้นบ้างหน่วยงานนี้บ้างเป็นกรถินราดกรถินหลวง งานหลวงงานลาดบริขาดจักเถื่อนบริขาดจักเถื่อนของเรานี่เป็นวัดอะไรไม่ได้เป็นวัดเถื่อนไม่ได้เป็นวัดลาดก็ไม่ได้เป็นวัดหลวงก็ไม่ได้เป็นที่พักสงฆ์ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นเป็นโรงเรียนสอนปฏิบัติธรรมเฉยๆไอนี่ยเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นวัดนะเนี่ยเป็นวัดเถื่อนนะเนี่ยนั้นมาเรียนรู้ที่นี่ถ้าสอนไม่ดีไม่อะไรไม่งามไม่อะไรก็ให้นึกซะว่า พระก็ป่าเถื่อนด้วยมันไม่มีของถูกต้องตามกฎหมายเนา ะ, นอะสอนแบบเถื่อนเถือนอนี่แหละโยมมาปฏิบัติทำโยมก็เป็นคนเถื่อนเหมือนกันนะะใช้ระบบเถื่อนเถือนนี่เข้าไปท่านก็นยากลำบากนะเกริ่ยจะได้พ้าเกริ่ยจะได้อะไรสักคนจะก่อนบาทก็ไปขอเขาเพื่อนพระบางองค์เนี่ยไปบิณฑบาตบวชใหม่ก็ไม่รู้จะอะไรมาบิณฑบาตบาทก็าทาหาโน่นานี่ไม่ได้ก็เลย เราเอากระโหลกหัวมาเนี่ยแถวนี้เอาเลื่อยตัดออกซะหัวมันเอาแค่นี้แต่บางองค์ก็ไม่มีเลื่อยเพอตัดทีทีมันก็แตกไปหมดก็เลยเอาไปทั้งหมดนี่แหละไปบินทะบาทบางวันก็ได้หันทางฟันมันออกไปทางโยมเขาเอ้ยตกใจนะมันมีฟั น, นหน่ากลัวจนกระทั่งพุทธยวว่าพิษสูตรต่งหลายต่อไปนี้ให้ห้ามใช้กระโหลกหัวผีเป็นบาปบินทบาทถ้าใครเอาอกระโหลกหัวผีไปบินทบาดถือว่าผิดอบัต มันเกี้ยงเก่าดีนะแล้วมันไม่ขึ้นสนิมเนี่ยมันสบายถือไปแต่ว่ามันไม่เหมาะสมเขาถามว่านี่เอาแปเอาอกโรลกใครมานี่ลูกคนนั้นหลานคนนี้นี่ยก็ไม่ให้เอาเอามาจากไหนนี่สงสัยนะเนี่ยถ้าพระปัจจุบันนี้ถ้ามีนะเอาหัวกะโหลกมนถูกสอบสวนนะมันก็ไม่ได้บาดไม้บาด ท, ท, ทองเหลืองบาด ท, ทองคำก็ไม่ได้บางคนนี่ร่ํารวยพ่อแม่ทำํำไมพระยะวาไม่ให้ เอาบาทเหล็กธรรมดานะที่มันไม่ขึ้นสนิมโยนเกินไปกูตาไปดูที่เขาที่บ้านบาทซอยบ้านบาทที่เขาตีบาดเขาบอกหลวงปู่ฟั่นก็มาเอาที่นี่หลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่เขาจะมาทำเฮ้สั่งทําบาทนะบาดที่นั่นะพอไปอยู่กรุงเทพแล้วเขาไปแวะไปไปสั่งบาทเขายังตีบาทอยู่เด็กเนี่ยต้องทาบาทเจริญไหนจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยนี่บาทหลวงปู่สั่งเนี่ยหกพันเนี่ยไม่ใช่ถูกนะ ตบาทล่องตาที่ล่องตาที่เขามาถวายใหม่นะั่นนะหมอมาถวายนะเฉพาะตีนบาทอนะ่ะสามพันสามแพงมาก เ, เขาทําทําที่นี่ก็มีนหะทําที่วัดสวตวัดสเวีดี่เป็นสหกรณ์เป็นทําจริงทําจริงเลยเย็บผ้าด้วยทำตีนบาททําเป็นอาชีพกอเลยนะแต่อันไหนมันแพงแพงมาถวายล่งตาล่งตาก็จะแจกถวายพระไปล่งตาก็เอาของถูกถูก ตีนบาดในลุงตากขทําเอาเองนะเนี่ยเย็บเองเพราะว่าจักสารเป็นนะเราไม่ขี้เกียจเนี่ยอยู่กับพ่อพ่อพาสารเหรรงะ ก, ก็สารเหงะพ่อพาสารติีข้าวลุงตาเขสารติเข้าะทําเป็นหมดนะสารข้องสารสุ่มไก่ซ้ำอะไรเนี่ยแปลนแต่ว่าเหงะเนี่ยพ่อต้องเริ่มต้นให้สารจอมเนี่ยเราทําไม่เป็นก็สารคือมันมีความรู้สึกว่ามันต้องเรียนรู้ให้เยอะๆชีวิตที่เกิดมาเนี่ยต้องรู้ทุงหมดทุกอย่างมีอะไรให้เรียนเรียนเรียนเรียน ท่านมันจึงไม่ขี้เกียจไงอะไรมันก็เป็นหมดนะงานบ้านงานเรือนไฟฟงไฟฟ้าเครื่องสูบน้ําเครื่องปั๊มน้ําอะไรจ่ายเนี่ยเราเป็นหมดเลยเย็บผักตักร้อยงานปูนงานฉาบงานไม้งานมีอะไรบางทีแต่ว่าไม่เป็นเป็นหมดนะออกแบบซาลอนซาลาทำนู่นทำนี่แบบนี้เราออกแบบเองคุยเองประมาณนะี้ยบอกเองคือคนไม่ขี้เกียจเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันก็มันไม่มีคําว่าตกงานได้งานเสียงา น, มนไม่มี เขเตียมเองหมดนะวางแผนวางเป็นไดปว่าไปตามเรื่องอันนี้คือเหมือนกันนะไปดูเขาเห็นเฮ้ยเขาถักลายหางหงนี่หว่าลายหงหงลายหางจัลกี้เขาทําอาเอาออมาึำเอาไม้ไผ่มันก็ทําตัดบีบสานไปสานมากมาออกมาเป็นนลยนะมันก็ง่ายง่ายมันก็ยากแต่ทีแรกเนี่ะทุกอย่างเลยอีสพักเราก็เป็นนะมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นดูออกมันเข้าใจ เอาเกษตรละ่ะไปดูเกษตรทําเกษตรเป็นเขาเรียนรู้เกษตรแล้วก็เรียนรู้เกษตรเขาตอนจริงไหมเขาผสมนั่นผสมนี่ทำนั่นนี่เก็ทําเป็นลูกตาไม่เป็นอย่างเดียวคือคอมพิวเตอร์นั่นแหละรูทําไม่อยากเรียนว่ะไม่อยากทําเบื่อน่ายให้เขาทําให้คอยจะถอดปลั๊กให้เขาบางทีถอดปลั๊กเขาก็ยังไหวแล้วตาไม่ใช่เสียนะเนี่ยไม่ถอดปลั๊กทําไมอ่ะเพาว่ามันต้องไปกดไปตรงนั้นตรงนี้ก่อนเอ้กูทําให้เป็นว่ะ มไม่เป็นอีไยแต่ซื้อให้ทาได้จีวงจีวรนเนี่ยเย็บนะทุงบาดทุงเบิดอะไรทำเอาอย่างนี้น ะ, นะออกเชื่อมไม่เป็นหัดฝึกนะฝึกกับช่างเขามาทำล้วก็เรียนรู้เอาก็เป็นช่างสีพ่นสีเจรไนทำนวลทานี่เป็นมันไม่มีอะไรยากมันยากตรงที่เกียนทานั้นเองแหละถ้าไม่เกียนมียาก ผู้ก็บเบื้องกระเบียงดวงตาก็ทำเอาเองฉั้นพระมาบวชบางทีก็พาเขา ท, าา ท, า ท, ทาําเนี่ยอาคารตัวเนี้ยห้องตเนี้ยก็ทํามาเองที่เองทําเองพระเนี่ยพระชา บ, บางอะไรบ้างติดกระจกก็ให้เขาช่างเข้ามาทําให้แต่ตัดกระจกอะไรก็ทําเป็นหมดนะติดประตูหน้าต่างบางทีช่างเขามาทําเขามีอ่ะที่ฝึกฝึกทํามุนลวดอ้าวฝึกเรียนรู้ให้มันเป็นเนี่ยแต่ก่อน เขาเปิดสอนซ่อมวิทยุโทรทัศน์ก็เรียนเรียนมันเป็นมันเป็นแล้วก็เป็นนะแต่หลวงตาไม่ได้ผลิตสเตนดิโอไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ทําเพื่อเป็นเวลาแก้ไขเวลาเราใช้วะเนี่ยเป็นถึงไม่เก่งนะแต่ก็เท่าเท่ากับเป็ดนั่นแหละเป็ดเนี่ยว่ายน้ําก็เป็นแต่ไม่เท่าปลาบินเป็นไหมบินแต่ไม่เท่านกเดินล่ะไม่สวยเท่ากวางเดินก็เป็นวิ่งก็ได้บินก็ได้ นั่นชีวิตเนี่เอาแค่เท่าเป็ดนะี่เถือว่าใช้ได้ในชีวิตเนี่ยยังไม่ทำจะขับรถนะตัวตายวะ ก, ก็ขับบ้างนิดๆหน่อยๆท้ย ห, หน้าท้ยหลังเก็บสตาร์ทเครื่องอะไรพวกนั้นแต่ชาตินี้คงไม่ขับนะแต่ถ้าอยู่ในอเมริกานี่ก็ไม่มีใบขับขี่นะพระเนนเนี่ยเขาให้ไปสอบนะสอบใบขับขี่ เวลาเดินทางไป็น่นไปนี่จะได้สะดวกสบายไม่ต้องยุ่งยากใครแต่วัฒนธรรมประเภทนี้ของประเทศไทยเนี่ยยังไม่ให้แต่ก็เริ่มมีหลายๆเห็นไหมเวลาไปไประชุมเนี่ยพระเขาขี่เบนซ์ขี่บิลสวนตัวไปไประชุมเต็มมันไปไกลนะเราจะเรียกความเสื่อมก็ได้อนุโลมตามโลกก็ได้แต่หลวงทาเขาไม่เอาเนี่ยมีรถเข้ามาถวายนี่ก็ทุกเทียบตายแล้วต้องตั้งกรรมการฝ่ายล้างรถใครเขาไม่เอาพระก็ อ้าวลุงปุษสงล่างรถเดิมมันอี้เว้ยลองตายยังให้ล่างต่อเซ็ตเดิมหัดเลยของไฟของมันนะยากลำบากถ้าแบ่งให้แต่ละองค์ก็ค่อยยังชั่วหน่อยก็ตั้งใจเอาไว้ว่านะลุงตาก็ไม่มีตังค์เนาะคนเขาไปชวนไปทำสถานีอนามัยให้บ้านโมเพ็กเนี่ยมันไม่มีเงินจริงๆรลงตาก็จะเอารถพวกนี้ไปเข้าไฟแนนซ์นนะมันทาไงได้มันไม่มี ก็ต้องทําเรื่องบานทีแล้วก็เอาสาลารู้ น, นี้แหละเข้าไปนั้นนมจะได้เยอะอยู่แล้วทั้งนีน้แต่ไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าเอาแต่สิ่งที่มันเคลื่อนที่ได้เอารถเอาใบทะเบียนเอาอะไรประมาณนี้ยแต่สาลาเขาไม่เอาโอ้ยากลําบากนะทําเรื่องอื่นทําง่ายนะะลวงตาทําเรื่องคนเข้าถึงทําเรื่องปฏิบัติทําเรื่องอะไร ง, ง่ายๆนะแต่ให้หาเงินเนี่ยยากมากลาบากเพราะว่ามันมีความละอา ย, อยางไง เราไม่เคยมีภาวะแบบเนี้ยแต่คนต่างนอกระบมองเราว่าเรามีบา ร, รมีเราไหนจะมีเงินมีทองมีอะไรเพราะมันไม่ได้ตั้งใจพ่ามาทําเรื่องแบบนี้แต่ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่พอจะอนุเคราะห์ได้ก็ทำตามกันไปทําตามหน้าที่ไปท่านญาติโยมทั้งหลายชีวิตนี่อะไรพอจะเป็นประโยชน์ต่อคนต่อสังคมต่ออะไรเนี่ยตั้งเนื้อตั้งตัวตังว้งหัวตั้งหางอะไรประมาณเนี่ยทั้งความรู้ความสามารถอะไร ล, ล้วก็ทําเพื่อสังคมไปเถอะ จบแล้วก็จบไปตายแล้วก็ตายไปไม่มีอะไรเราไม่ต้องมีชื่อมีเสียงไม่ต้องมีลาบมียศมีสารเสริญแต่ทำหน้าที่ของการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วมีอะไรที่มันดีๆพอที่จะแบ่งปันคนอื่นแล้วก็แบ่งปันไปตามเรื่องแต่ไม่ได้ไปหวังอะไรเราไม่ต้องวิ่งตามกระแสแต่ทุกอย่างที่ทําเนี่ยพิจารณาแล้วเหมาะสมพอทาได้ก็ทาทาไม่ได้ก็คือไม่ได้ทุกข์ ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ยอมรับอะไรสิร่งสุดท้ายที่ควรจะได้ควรจะมีควรจะเป็นคือการเข้าถึงธรรมซัเกิดมาเนี่งให้มารู่แจ้งเห็นจริงซะเข้าถึงธรรมเหมือนท่านถ้าพูดไปแล้วเนี่ยท่านได้เราได้ครึ่งของผูกปูสาติไหมไม่ได้เขาสนใจตามหาพุะเจ้าทั้งชมพูที่จนมาเจอกันอย่างเงี้ยท่านบอกว่าไปหาบาตรนะหาโน่นนี่นะหาอยู่นาน กฏไม่ได้นะนแะส่วนมากเนี่ยเวลาไปหาอยู่ตามกองขยะมันขยะมันแต่มันไม่ใหญ่เหมือนขยะเมืองใดหรอกเราไปเขี่ยหาโน่นหานี่เนี่ยส่วนมากมันจะมีวัวนอนอยู่แถวนั้น่ะมันมีวัววัวแม่ลูกหวอนางวัวอะไรมนก็มาหากินตามขยะกันมันเห็นเราพลุงพลังเขาไปหาเนี่ยมันก็โดดโจรมาเลยปุ้มทีเดียวนะไสออกเลยนะปู่ปู่สตินี่ห้อยอยู่บนเขามันตายเลยพระพุทธเจ้าไป บินธบารเขาเล่าลือกันว่ามีคนบ้าคนหนึ่งอะถูโควิดตายนะเหมือนใครครับว่าจะเป็นสาวกนักบวชสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วมั้งอะไรประมาณนั้นพะนะพุทธเจ้าก็เสด็จไปดูเขาทำโอ้คนที่มาหาเมื่ออาทิตย์ก่อนน่ะโอ้ปกุกสาติแต่าก็บอกว่าเขาอยากบวชแล้วเขาก็ให้บวกเขาไปหาบาทพาจีวรมาเราจะทำพิธีบวช แต่บางคนมันมีบุญบา ร, รมีทําไว้ก่อนคือหมายว่าคนมีเงินไงคนมีเงินเวลาเขาจะไปบวชไปหาพระญาตเขาซื้อไปเลยเขาเรียกว่าได้ผ้าทิพ์ผมบอกมีผ้าที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือพอจะบวชเนี่ยอ้าวมาเป็นวิกงสู่เตือนนี่เขามีแล้วเขาเตรียมไปแล้วแต่นี้เขาไม่มีไงเขาเลยต้องไปหาถูกววขีดตายนะการมรดกวาสิทธิพวกเนี้ยนะใครนะัพระพายยะทารุจิริยะแล้วก็ สุภพุทธะผู้เป็นโลกเลือนเหมือนที่บรรลุธรรมเนี่ยอย่างพระยัติทารุจิเนี่ยฟังธรรมพุทธเจ้าพูดตอนบินธบาตอยู่เพราอสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่ายินเราปล่อยวางนะท่านฝึกสติมานานเน่ยแต่มันไม่รู้แจ้งพอฟังอันนี้ตอนบินธบาติตอนเองนะพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยยืนพูดผมไม่ต้องพูดมากเอาน้อยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวอกมันไม่เหมาะสมบินธบาติเขาห้ามคุยกันห้ามพูดนะห้ามแสดงธรรมผิดอบัติเนี่ย บางคนยังไปถามอีกเวลาพระไปบินถาหลวงพ่อมานบมาหนี่มันยังวายอยู่เา้ามีมานสแตกอย่างนี้เนาะว่าเขาหามเบาออ้ายังว่ะแต่คนมันไม่รู้นะเรื่องเรื่องนี้เขาพูดไปในนี้สารเซนน็นะเนี่ยเอาไปมาก็เลยกลับเอามากร่างท่านมาเข้ามาี่วัดนะบอกว่าเอา๊ะปกติฟังธรรมะปุริยมวานี่เขา ออกไปได้ถูกวัวขีดตายเย่างนี้คติพบเขาจะเป็นยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าว่าปูกุสาติเนี่ยฟังธรรมเมื่อวานแล้วรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาเขาบรรลุพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วคติชีวิตของเขาไม่กลับมาอีกในโลกเนี่ยไม่กลับมาในโลกนี้แล้วเหลือแต่เป็นพระอรหรนันต์นะแต่เขาเขายังไม่ถึงตายก่อนเห็นไหมคนเขาตั้งใจจริงมีศรัทธาเนี่ยฟังธรรมมันไม่ยากนะมันจะเกิดปัญญาดดี พอที่เขาใส่ใจพวกเราล่ะน่ะหันมาโยหาพวกเรามันก็ยากลําบากตรงที่ไม่เหตุพ่อมันคืดนะเหตุพราะมันคืดมีคนคนหนึ่งเนะอยู่ในบ้านเหมือนเสตีตื่นขึ้นมาแนละ้วเบื่อหน่ายชื่อวา่าะะในยศในยศเนี่ยบ่นเข้าไปหาเดินทางไปเลยโอ้ย อ, อกอังเด้ออกอังหลายเดนนะ้อนนะเบื่อหน่ายหล ผู้หญิงกม็มีมีประสาสามฤดูมีผู้ชายมีอาหารการกินเยอะแยะเลยคนชายคนอะไเนี่ยมีดนตีขับกล่อมจท่านก็เบื่อหนก็เป็นไปได้น่ะเดินไปเดินไปจุไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยแสดงธรรมให้ฟังอนุภูมิวิวกถาอริยะสัจ ส, สิก็เกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมานะครพอพ่อไปจำที่เอามายุยังยุนี่พ่อพร้ยาเลสเทศ์พระพุทธเจ้าให้พ่อฟังบรรลุทำตามพ่ออีกเป็นสกิทาขามีพอกลับมาบ้านมาฉันเข้าที่บ้าน พ่อบอกว่าไปฉันเข้าที่บ้านเถอะนิมนต์ลูกก็กลับเถกลับไปบ้านนิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยนะไปพุทธเจ้าก็เทศให้เมียฟังว่าเป็นอย่างจังคุยน้เพินพ่อลูกที่อา ย, อยุใสเป็นพุทธเจ้ากราเทศสดงว่าคนนี้ยศั ก, กุลบุตรเนี่ยบรรลุอนาคามีอีกทีเนี่ยฟังกันเดิมนั่นแหะนะนะเลยขอบวชเลยขอบวชเลยพอทําบุญบ้านเสร็จขอบวชทันทีนะเนะมียบรรลุโสดาบันท่านขอบวช พอเขาบวชไปทำความเพียรเจ็ดวันบรรลุอรหันต์เลยเห็นไหมคนมันเลื่อมใสยอยู่แล้วนะจิตใจเลื่อมใสมันศรัทธามันก็ปฏิบัติให้ถึงธรรมได้ไม่ยากนะแต่คนทั่วไปไม่ได้ใส่ใจไปนั่นเลยตอนนี้เวลาสมควรแก่อาหารแล้วนะคนไหนที่คิดว่าจะไม่กินลุกก่อนได้ทวงลุกไปทำความเพียรซะ ทุกุสั่งสันบ่สันที่เอาตัวไอ้ท่านดังนั้น